ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ส6พูดไปได้เยอะแล้วทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ควรจะพูดไปด้วยคือเราพูดกันถึงเรื่องว่าพระพุทธศาสนานะสอนเรื่องหลักการสำคัญใหญ่ที่สุดเป็นพื้นฐานก็คือธรรมหรือธรรมะ ว่าดึงคนจากเทพสู่ธรรมนี่คําว่าธรรมะนี่เป็นคําที่กว้างขวางเหลือเกินเป็นคําที่ให้ความหมายยากหาคําแทนได้ยากแปลเป็นไทยเราก็ไม่มีคําที่จะแปลให้คลุมความต้องอธิบายกันยืดยาวต้องแปลกันเป็นความหมายต่า ง, างๆเยอะแยะเวลาฝรั่งเอาไป ศึกษากันเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็แปลออกไปก็ไม่รู้จะหาคำไหนมาแทนได้เหมือนกันในที่สุดก็ต้องทับศัพท์แบบไทยเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็รู้กันมากแล้วจกระทั่งว่าความจะเป็นในการแปลก็แทบจะไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นหนังสือในภาษาอังกฤษเวลาพูดถึงธรรมะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ทับศัพท์เลย เขียนแบบสันสกฤตบังเขียนแบบบาลีบังถ้าเขียนแบบบาลีก็เป็น d h a w m a ธรรมะถ้าเขียนแบบสันสกฤตก็เป็น d h a r m a รมะของไทยเราก็เขียนรูปสันสกฤตเนี่ยมากธรอหันมอแต่ที่จริงนั้นรูปที่แทก ของสันสกฤต ก, ก็ทอรอจุดข้างล่างตัวเดียวรอตัวเดียวแล้วก็มอทีนี้เขียนแบบบาลีแล้วก็เป็นธรรมะมอสองตัวทอทงมากาศมามาสองตัวทัศละอ่ะถ้าเป็นบาลีแท้ก็ไม่ต้องใส่อ่ะอันนี้เราก็นิยมใช้รูปสันสกฤตมากโดย ใช้ตัวรอจุดนั้นเขียนเป็นแบบไทยก็ใช้เป็นรอสองตัวนี่คมว่าธรรมะนี่ก็เลยใช้ทับศัพท์ก็เป็นอรู้กันฝรั่งก็เข้าใจกันมากมายแล้วเพราะว่าไม่มีใครแปลหาศัพท์ที่ตรงได้สำเร็จพยายามกันมาหลายสิบปีเป็นร้อยปีแล้วเพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างเหลือเกิน นี่ก็ในเมื่อมีความหมายกว้างและยากที่จะพูดให้ชัดเจนได้โดยจะหาคำจำกัดความมายากเพราะฉะนั้นก็ต้องมาสร้างความเข้าใจกันพอให้เป็นหลักไว้ก่อนนี่คำว่าธรรมะนี่ในภาษาบาลีเองท่านก็พยายามให้ความหมาย ในชนะตกรถามีคำพีที่พยายามแสดงความหมายก็าทำาไว้หลายแห่งให้ไว้มากบางน้อยบางมีแห่งหนึ่งให้ไว้มากถึง11อความหมายนีถ้าเราจะมาพูดทั้ง11ความหมายก็จะทำให้ยิ่งสับสนคือจำไม่ไหวน่าจะปะปนกัน นี่ก็ต้องจับหลักให้ได้นี่ผมก็ให้ในที่นี้ว่าสี่ความหมายพอถ้าหากว่าเข้าใจธรรมะในสี่ความหมายนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงอะ่ะไม่ต้องกลัวความหมายที่เหลือก็เป็นความหมายปลีกย่อยไปแล้วก็ได้หลักลให้มันได้จับสาระให้ได้ก่อนธรรมะ ความหมายสำคัญก็สี่ความหมายอะไรบ้างหนึ่งคว่าธรรมะนี่เป็นคาที่บอกแล้วว่ามีความหมายกว้างที่สุดครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรไม่เป็นธรรมะนะเมื่อไม่มีอะไรไม่เป็นธรรมะนี่ธรรมะจะได้แก่อะไรนะะก็ได้แก่ธรรมชาติ สิ่งที่มีที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของมันเท่านั้นเองดังนั้นธรรมะในความหมายนี้อาจจะแยกไปยังไงก็ตามก็ให้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเช่นบอกอา้าวธรรมะนะแยกเป็นสองอย่างเป็นรูปประธรรมก็เป็นอรูปประธรรมหรือรูปประธรรมนามรธรรมแต่ว่า ตามหลักท่านก็แยกเป็นรูปธรรมอรูปธรรมมันก็มีอยู่เท่านี้สิ่งทั้งหลายบรรดามีมันก็มีรูปธรรมกับอรูปธรรมหรือว่าแยกอีกอย่างเป็นโล ก, กิยธรรมโล ก, กุตรธรรมไม่ว่าอะไรก็อยู่ในสองอย่างหรือว่าแยกเป็นสังคตธรรมสังคตธรรมหรือสังขารธรรมวิสังขารธรรมมันก็อยู่เทา่านี้หรือว่าไงอาจจะแยกเป็นสามเป็น กุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นอัพยกตธรรมกุศลธรรมก็ฝ่ายดีอกุศลธรรมก็ฝ่ายร้ายแล้วก็อัพยากรตะธรรมก็ที่เป็นกลางๆบอกไม่ได้ว่าดีหรือร้ายไม่ต้องพูดว่าดีหรือร้ายอันนี้ก็เป็นการที่แยกให้เห็นว่าโอ้นี่คำว่าธรรมะนี่ก็ครอบคลุมหมดทุกอย่างแล้วนะ มาเฉพาะฉะนั้นดีก็เป็นธรรมะชั่วก็เป็นธรรมะเป็นวัตถุก็เป็นธรรมะเป็นนามธรรมเป็นเรื่องจิตใจก็เป็นธรรมะเป็นร่างกายก็เป็นธรรมะเป็นตลอดจนนิพพานก็เป็นธรรมะไม่ว่าอะไรเป็นธรรมะหมดธรรมะในความหมายเนี้ยบางทีฝรั่งก็ไปแปลว่าสิ่งไทยก็แปลว่าสิ่งใกล้กันมาก ภาษาอังกฤษกับไทยตัวนี้แต่ว่าคําว่าสิ่งหรือซิ่งในภาษาอังกฤษกับไทยเนี่ยมักจะให้ความรู้สึกเป็นประเภทวัตถุหรือรู ป, ปรธรรมก็เลยถือว่าก็ไม่ครอบคลุมแต่ว่าในภาษาไทยเองก็ตามอังกฤษก็ตามเวลาจะหาคํามาแทนสิ่งที่ตัวพูดแล้ว จะให้ครอบคลุมก็ไม่รู้จะหาคำอะไรมาแทนก็ต้องใช้คำว่าสิ่งแม้แต่เรื่องนามธรรมในะภาษาไทยเนี่ยบางครั้งเมื่อพูดไปแล้วจะหาคำเดียวมาแทนก็ต้องใช้สิ่งเหมือนกันภาษาอังกฤษก็เหมือนกันก็ต้องใช้สิ่งอันนี้ในที่สุดเนี่ยจะเห็นว่าในทางภาษา เ, เราต้องการคำอะไรสักคำที่มันหมายรวมทุกสิ่งทุกอย่าง แทนทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหมดเนียกํานี้ก็คือคําว่าธรรมะนี่แหละก็แปลว่าธรรมะในความหมายที่หนึ่งนี่คําที่จะสื่อความหมายได้ว่าใกล้เคียงอันนี้ก็คือธรรมะได้กับธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้เราเองเราก็มาแยกว่าเออธรรมชาตินั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ที่ไม่ใช่ธรรมชาติอีกเลยเนี่ย ก็ยุ่งสิใช่ไหมนะแต่ว่าคําว่าทำไม่มาหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างแหะแม้แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่พ้นธรรมะนะคอมพิวเตอร์ก็ไม่พ้นธรรมะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามไอ้ตัวรถมอเตอร์ไซค์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เป็นของที่เกิดจาก สิ่งที่มีตามธรรมดารในธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เอามาจากไหนแล้วถึงมาจะแปรรูปออกมาตามการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็เป็นแต่เพียงรูปร่างที่แปลไปแต่สาระเนื้อแท้ของมันก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็มันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ได้พ้นจากธรรมชาติไปได้หรอกดะงนั้นก็เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์มันก็คือธรรมชาติแปรรูปดัง <laughs> น, นั้นก็ไม่พ้นธรรมชาติ ก็เอาเป็นว่าความหมายที่หนึ่งของธรรมะก็คือธรรมชาติก็ได้แก่สิ่งทั้งหลายบรรดามีไม่ว่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามเป็นเรื่องธรรมวัตถุ ก, ก็ตามจิตใจก็ตามเป็นเรื่องดีก็ตามร้ก็ตามไม่ดีไม่ร้ก็ตามนี่เป็นโลกีโลกุตตะละหมดไม่มีเหลือนี่ความหมายที่หนึ่งทีนี้ต่อไปความหมายที่สอง ความหมายที่สองก็คือว่าสิ่งทั้งหลายหรือธรรมชาติเนี่ยมันก็มีความเป็นไปของมันมันมีความจริงของมันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้นมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตแล้วมีการเสื่อมสลายนมันเกิดขึ้นมานมันก็มีกระบวนการเกิดมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นก็มี เหมือนกับมีกฎเกณฑ์กำกับอยู่เรียกว่าความเป็นจริงของมันที่มันจะเป็นไปต่างๆความเป็นไปของมันที่มีความจริงอยู่ในตัวซึ่งถ้าเราเข้าใจมองเห็นแล้วนี่เราจะเข้าใจมันชัดเจนถ้าเราไม่เข้าถึงในตัวความจริงความเป็นไปของมันนี้ได้เราก็ไม่รู้จักมันจริงนอกจากรู้จักมันแล้วเนี่ยเรารู้ความจริงของมันความเป็นไปที่ มันแน่นอนถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราสามารถถึงกับจัดการกับมันก็นได้เช่นว่าต้นไมน้เรารู้ว่าโอ้มันเกิดจากอะไรที่มันมาเป็นอย่างนี้ได้มันมีความเป็นมาอย่างงั้นเราสืบไปได้จนกระทั่งเราไอ้เจ้าต้นนี้นี่เดิมมันมาจากเม็ดนี่นเดิมเราไปเห็นแต่ต้นไม้แล้วก็รู้จักนี่คือธรรมะในความหมายที่หนึ่ง ทีนี้ต่อมาเรารู้นะไปจนกระทั่งว่าอ๋อจะต้นนี้นี่เดินนี่มันเป็นเม็ดอยู่อ่าแล้วต่อมาเอ๊ะต่อมามันเป็นเม็ดแล้วต่อมามันจะเป็นไงเป็นต้นไม้นี่เราตามดูมันในที่สุดเรารู้ว่าอ๋อมันมีการเติบโตอย่างนี้แล้วก็ต่อมาเรารู้กระทั่งว่าอ๋อที่เม็ดมันโตขึ้นมานี่มันต้องอาศัยมันต้องมีดินมีน้ามีปุย๋ยมี เขาเรียกว่าโอชะในดินแล้วก็มีอุณหภูมิเหมาะอะไรเป็นต้นเนี่ยแล้วมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาพอเรารู้กระบวนการอะไรต่างๆในการเติบโตก็มันก็รวมแล้วเรียกว่ารู้เหตุปัจจัยของมันพอรู้ความเป็นไปของมันว่ามันเป็นยังไงเงี้ยเราสามารถจัดการกับต้นไม้นี้โดยที่ว่าเราสามารถปลูกมันได้เนี่ยเอาเม็ดมาแล้วไปไม่ต้องมาหามันเวลาต้องการลูกมัน เนี่ยแต่ก่อนนี่จะกินผลมันทิตต้องตามมาหาบัทฑิต้นต่อมาพอ ร, รู้ความจริงของมันอันนี้แล้วก็เลยเอาเม็ดไปปลูกที่หลังบ้านเลยต่อมาก็ไม่ต้องเดินมาไกลละเอาลูกเอาผลที่ต้นไม้อยู่ที่หลังบ้านเนี่ยกินสบายเนี่ยที่จริงรู้ลึกซึ้งด้วยอะไรก็สามารถจัดการกับมันได้ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงมันก็ได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไ ป, น ป, นปนตามกฎเกณฑ์ความเป็นจริงของมัน เช่นเป็นไปนตามเหตุปัจจัยอันนี้ความจริงความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายหรือความเป็นไปของธรรมชาติเนี่ยที่มันมีกฎมีเกณฑ์หรือมีความเป็นไปที่เรียกว่าแน่นอนอันนี้เป็นความหมายของธรรมะในขในแง่ที่สองนะก็คือความจริงขังสิ่งทั้งหลายถ้าพูดเป็นภาษา ภาษาบาลีเดิมเพื่อเทียบเคียงกับคำธรรมะธรรมชาติก็ได้แก่คําว่าธรรมดานะธรรมดาก็คือความเป็นไปของธรรมชาติธรรมชาติก็คือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมดาว่าั้นะก็กลับกันไปกลับกันมานะถ้าจะถามว่าธรรมชาติคืออะไรก็บอกธรรมชาติก็คือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมดาถามว่าแล้วธรรมดาคืออะไร ธรรมดาก็คือความเป็นไปของธรรมชาติใช่นี่แหละธรรมดานี่สำคัญมาถ้ารู้อันนี้แล้วก็ตอนเนี้ก้าวถึงขั้นที่จะจัดการกับธรรมชาติได้เอาล้วนะฮะสองละได้สองความหมายต่อไปก็ความหมายที่สามอันนี้ ความหมายที่สามก็มานึกถึงมนุษย์เราเนี่ยในเมื่อสิ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้นมันมีความเป็นไปอย่างนี้รวมทั้งตัวเราด้วยตัวเราชีวิตเราก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละแล้วมันก็เป็นไปตามความจริงของมันนที่เป็นธรรมชาติหมายความมันเป็นทั้งธรรมชาติและมีความเป็นไปตามธรรมดา ในเมื่อชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้เออเราอยากจะมีชีวิตที่ดีงามเราจะอยากจะมีความสุขนะเราอยากจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าเราอยากจะมีสุขภาพดีในทางร่างกายเป็นต้นนะเราอยากจะมีสติปัญญาเราอยากจะอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างดีทีนี้จะทำยังไงจะสำเร็จละ่ะอา้าว ก็ต้องปฏิบัติดําเนินชีวิตของตัวเองนี่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นตามธรรมดานั้นนะถ้าทำไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงของมันที่เรียกว่าเป็นไปนตามเหตุปัจจัยที่จะเรียกกฎธรรมชาติกันแล้วแต่ไปทำเหตุปัจจัยผิดเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลที่ดีมันเกิดผลที่ลายก็เสียกับตัวเอง เนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าเราดําเนินชีวิตถูกต้องปฏิบัติถูกต้องตามเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดผลที่ดีชีวิตของเราก็ดีเนี่ยเช่นร่างกายของเรานี่ซึ่งเป็นธรรมชาติถ้าเรารู้ว่ามันจเจริญเพราะอะไรมันแข็งแรงเพราะอะไรมันต้องการอะไรมาบํารุงเช่นต้องการอาหารแล้วก็กินอาหารอาหารอย่างไรจึงจะช่วยให้ร่างกายดีเป็นเหตุปัจจัยที่ดีกัร่างกายแล้วก็เลือกกินอาหารอย่างนั้น รู้จกนกระทั่งว่าปริมาณแค่ไหนมันต้องการยิ่งรู้ไปรู้ไปก็ยิ่งปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติถูกต้องก็ทําให้ชีวิตของเรานี่ดีเช่นสุขภาพดีเป็นต้นหรื อ, อย่งเราอยากจะมีปัญญาเราก็ต้องรู้ความจริงของกฎธรรมชาติว่าออปัญญามันจะเกิดได้อย่างไรใช่ไหมก็ถ้าเรารู้ความจรงิงรู้เหตุปจัจจัยจับเหตุปจัจจัยถูกต้องปฏิบัติได้ถูกต้องตามนั้นนี่เราก็ได้ประสบ ผลดีงามที่เราปรารถนาเราก็เลยมีความสัมพันธ์กับความเป็นจริงของธรรมชาติ น, นี้คือถ้าเราต้องการจะให้ชีวิตของเราดีงามจเจริญมีความสุขเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติ น, นี้อันนี้เราเน้นต้องการแต่ส่วนที่ดีเราไม่เอาไอ้ส่วนที่ไม่ดีใช่ไหมส่วนที่ถูกต้องตามปรารถนาของเราที่จะเกิดผลไร้เราไม่เอา เป็นอนว่าเพื่อให้ชีวิตของเราดีงามเราต้องปฏิบัติอย่างงี้งี้นี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องตามความเป็นจริงกฎธรรมชาติแล้วเราจะเกิดผลดีกับเราอันนี้ข้อที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปนโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงกฎของธรรมชาติหรือกฎธรรมชา ต, รรชาติเพื่อให้เกิดผลดีแก่ตัวเรานี่แหละ เรียกก็ธรรมะในความหมายที่สามนะก็ข้อปฏิบัติที่ดีงามของมนุษย์ครัะพูดภาษาง่ายๆแต่ที่จริงก็คือว่าข้อที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติเช่นดำเนินชีวิตเป็นตน้นเพื่อให้สอดคล้องกับความจริงหรือธรรมดาของธรรมชาติในทางที่จะให้เกิดผลดีตามประสงค์ของมนุษย์ หรือแม้แต่ไม่ประสงค์ก็แล้วแต่จะให้เกิดผลดนะีให้ชีวิตนี้เข้าถึงภาวะที่ดีงามอันนี้เรียกว่าธรรมะในความหมายที่สมธรรมะในความหมายที่สมนี่ก็เอามาเรียกกันเป็นต่างๆแลนะก็คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติตามธรรมดาให้สอดคล้องกับธรรมดาอาจจะใช้คำว่าธรรมจริยาก็ไนดะ้เพื่อจะให้เรียนศัพท์ให้ใคล้ายๆเข้าชุดกัน หธรรมชาติสองธรรมดาสาธรรมจริยาอันนี้เป็นข้อที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติตามธรรมนะตอนนี้ก็จะตอนนี้เราจะมีดีชัว่วแหละเพราะว่าส่วนที่มันจะเกิดคุณเกิดประโยชน์แก่มนุษย์ก็คือเป็นข้อปฏิบัติที่เรานี่แหละถือว่าดีข้อที่มันดีอะ่ะก็จะทําให้เกิดผลดีที่เราต้องการ นั่นในตอนที่เป็นความหมายที่สามนี่ก็จะมีเรื่องความดีความชั่วว่าธรรมะเป็นความหมายว่าความดีแล้วก็เลยเรียกเอาไอ้ตัวไม่ดีเป็นอธรรมไปเลยแต่ถ้าที่จริงถ้าเป็นความหมายที่หนึ่งแล้วธรรมะหมดเพราะบอกแล้วนี่ธรรมะแยกเป็นกุศล ธ, ธ, ธรรมก็เป็นธรรมะอกุศลก็ธรรมก็เป็นธรรมะใช่ไหมดังนั้น ถ้าว si ่าในความหมายที be ่หนึ่งแล้วนี่ความหมายกว้างที่สุดดีก็เป็นธรรมะชั่วก็เป็นธรรมะแล้นั้นก็มีธรรมะที่ดีธรรมะที่เลวนะธรรมะที่เป็นบุญธรรมะที่เป็นบาสมีกุศลธรรมอกุศลธรรมมีบุญมีบุญยธรรมมีบาปประธรรมนะแต่ว่าในความหมายที่สามนี่เอาเฉพาะดีเท่านั้นเป็นธรรมะถ้าไม่ดีแล้วไม่เรียกว่าธรรมะแหละนะ ถึงตอนนี้เราเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วเราก็แยกได้เลยใช่ไมว่าเอ๊ะทาไมบางครั้งเราไปพูดถึงไม่ดีเป็นธรรมะละ่ะเอ้เราเรียนมาเด็กๆพ่อแม่สอนครูอาจารย์สอนธรรมะนี่เรารู้ว่าเราก็เข้าใจเป็นว่าเออเรื่องดีๆทางนั้นอยู่มาอยู่มามาฟังพระมีธรรมะอันเป็นบาปเอ๊ะยังไงกันธรรมะอะไรธรรมะเป็นบาป ก็ทำมามันจะเป็นบาปได้ไงมันเรื่องดีใช่ไหมนี่แหละพอเราเข้าใจหลักนี้แล้วไม่สับสนนะก็ได้ละความหมายที่หนึ่งสองสามหนึ่งกับสามนี่มันจะแสดงตัวเข้ามาเองให้เราเห็นความหมายชัดถ้าเรารู้หลักทีนี้ต่อจากสามและอะไรทีนี้ก็ความหมายที่สี่ความหมายที่สี่ก็คือว่าเอาและธรรมะ ในความหมายที better, better, better. Like iana, like right. ่หนึ่งก็ตามสองก็ตามสามก็ตามเนี่ยมันเป็นเข้ามันอย่างงั้นนะว่าธรรมชาติสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นเข้ามันอย่างนั้นนะมนุษย์จะรู้ไม่รู้หรือจะหลับตาลืมตามันก็เป็นเข้ามันอย่างงั้นอันนี้ธรว่าในความหมายที่สองความเป็นจริงเข้ามันที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นเนี่ยที่เรียกว่าธรรมดามนุษย์จะรู้ไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นเข้ามันอย่างนั้นนะ ข้อสามก็สิ่งที่มนุษย์จะพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของตนเองสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติถึงมนุษย์ไม่ปฏิบัติมันก็เป็นข้อมันอย่างนั้นทีนี้ถ้ามนุษย์รู้และปฏิบัติตามก็ได้ผลดีแก่ตนเองถ้าไม่รู้ตัวเองก็อาจจะพลาดไม่ปฏิบัติตามเกิดผลเสียมันก็มีอยู่ข้อมันอย่างนั้น ันีเป็นความจริงเท่านั้นเลยทั้งสามข้อเนะี่ยมันมีอยู่เพรามันอย่างนั้นทีนี้ถ้ามนุษย์ไม่รู้นะก็ตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์จากมันถ้ารู้เราก็ปฏิบัติได้เข้าใจเกิดประโยชน์กับตนเองชีวิตทีนี้ก็เลยต้องมีผู้ที่มีปัญญามารู้เข้าใจมารู้เอา ความจริงเหล่านี้รู้ตั้งแต่ธรรมะในความหมายที่หนึ่งที่สองที่สรู้พอท่านผู้นี้รู้เนี่ยที่เราเรียกก็เป็นพระพุทธเจ้าพอรู้เข้าถึงความจริงเหล่านี้แล้วก็มาสั่งสอนบอกกล่าวชี้ให้ดูให้เข้าใจถึงธรรมะทั้งสามอย่างคำสอนคาบอกเล่าของท่านผู้นี้ คือที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นสื่อให้เราเข้าใจตัวธรรมะในความหมายสามอย่างแรกจะเรียกได้ว่าคําสอนของท่านก็คือตัวแทนของธรรมะทั้งสมความหมายนั้นไปไปมามาคําสอนของท่านซึ่งเป็นสื่อเป็นตัวแทนแสดงไอ้ธรรมะ3าความหมายแรกก็เลยถูกเรียกว่าธรรมะไปด้วยนะ นั้นธรรมะในความหมายที่สี่ก็เกิดขึ้นก็มีก็ได้ความหมายว่าก็คือคําสอ น, นที่แสดงธรรมะในสามความหมายแรกเราก็เลยแปลกันง่ายๆว่าธรรมะคือไรคือคําสอนของพระพุทธเจ้าถูกไหมเนี่ยที่จริงที่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นธรรมะในความหมายสุดท้าย ที่เรียกว่าธรรมะก็เพราะว่าไปสื่อไปแสดงธรรมะที่ตัวเป็นตัวแท้สามข้อแรกใช่ไหมฮอันนี้มนุษย์มารู้เข้าใจถึงธรรมะสามความหมายแรกที่เป็นตัวจริงได้ด้วยอาศัยธรรมะคือคําสอนแราวคาสอนนั้นก็มาในแสดงอื่นก็หยิบยกธรรมะในความหมายสามอย่างแรกเนะี่ยมาแสดงมาสอนพยายามสั่งสอนแนะนำจำจีจะใช้จะให้เข้าใจนะี ตกลงก็ไปอ่นว่าได้สี่ความหมายความหมายที่สี่นี่จะเรียกเรียนเข้าสับให้เป็นชุดเรียนสับแรกๆให้เป็นชุดกันก็เรียกว่าธรรมเทศนาเอานะได้สี่ความหมายมกธรรมชาติก็คือข้อสอใช่ครับกฎธรรมชาติข้อก็ธรรมนิยมตาด้วยใช่ครับนั่นแหละอา่าก็อยู่ในนั้นหมดอะธรรมะนิยามธรรมดานั่นเองอะนี ก็ทวนอีกทีหนึ่งว่าธรรมะมีความหมายมากมายแต่ว่าโดยย่อความหมายที่เป็นหลักก็มีสอย่างหนึ่งคือธรรมชาติได้แก่สิ่งทั้งหลายบรรดามีที่เกิดที่มีขึ้นสองก็ธรรมดาคือ ความเป็นไปของธรรมชาติหรือความจริงของธรม ร, ธรมชาติหรือกฎธรรมชาติและก็สธรรมจริยาก็คือสิ่งที่มนุษย์ข้อที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของตนนรืจะแก่สังคมแก่อะไรก็ขยายไปได้หมดแล้วก็สี่ คำสอนที่แสดงธรรมะคือธรรมชาติธรรมดาและธรรมจริยาสามอย่างนั้นก็เรียกว่าธรรมะในความหมายที่สี่นอันนี้จะเห็นว่าถ้าท่านผู้ใดจะเข้าถึงตัวธรรมะข้อที่สองได้นี่ ก็หมายความว่าต้องเข้าถึงแก่นแท้ความจริงของธรรมชาติในข้อที่หนึ่งแล้วจากการที่เข้าถึงธรรมะในความหมายที่สองนั้นธรรมจริยาก็จะตามมาด้วยอันที่สามใช่ไหมขณะนั้นก็รวมแล้วก็โยงเป็นอันเดียวกันนะแล้วเมื่อท่านรู้เข้าถึงตัวธรรมดา น, นั้นแล้วจึงจะสามารถมาแสดงธรรมเทศนาที่มันจะสื่อถึงธรรมะตัวจริงนี้ได้ ก็จบใช่มค <c oughs> รัเพราะฉะนั้นต่อบวนี้ก็จะได้ไม่ตั้งงงถา้ามาพูดถึงธรรมะที่ดีธรรมะที่ไม่ดีหรือพูดว่าเอ๊ะประพฤติ ธ, ธรรมจงประพฤติธรรมนะอย่าประพฤติสิ่งที่ไม่ใช่ทำก็บอกอ้าวก็ไม่มีในสิ่งที่ไม่ใช่ทำทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วท่านมาพูดทําไมว่าจงจงอย่าประพฤติสิ่งที่ไม่ใช่ท ำ, ทท ำ, ทำทสิ่งที่ไม่ใช่ทำก็ำ อ, อาจทําใช่ไหม เอท่านพูดยังไงมันขัดกันอยู่ประมาณตอนนี้รู้ความหมา ย, ยางี้แล้วก็ไม่ขัดใช่ไหมฮะเขาบทปัญหาไปธรรมะดีธรรมะเร็วหรือธรรมะธรรมอะไรต่างต่าแล้วก็แยกได้ถูกเพราะเขาพูดมาแล้วก็ในใจเราเห็นเลยว่าอ๋อนี่เขากําลังพูดธรรมะในความหมายที่หนึ่งอันนี้เขากําลังพูดธรรมะในความหมายที่สอันนี้เขากําลังพูดถึงธรรมะในความหมายที่สองอันนี้กับธรรมะในความหมายที่สี่ นี่ผู้ที่มาเริ่มเรียนพุทธศาสนามักจะไปเจอธรรมะในความหมายที่หนึ่งก่อนเห็นไหมเราเรียนก็ธรรมะคืออะไรธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะมันนี่คือความหมายที่4ีแล้วจะความหมายเป็นเรื่องท้ายสุดแต่ว่าก็เป็นตัวเริ่มจากผู้เรียนเพราะเป็นตัวที่จะนําผู้เรียนไปเข้าถึงตัวธรรมะที่แท้ในความหมายหนึ่งสองสา ก็ต้องมาเจอที่คาสอนเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าธรรมะก็เป็นอยู่มีอยู่ตามปกติธรรมดาของมัน <c oughs> แต่ว่ามนุษย์ทั่วไปนี่ไม่รู้ไม่เข้าใจ <c oughs> จนกระทั่งมีท่านผู้รู้ <c oughs> เข้าถึงความจริงนั้นแล้วก็เอามาบอกมาสอนมาแนะนำ ม, มาอธิบายคนอื่นจึงเข้าใจนะ นั่นก็เลยต้องอาศัยคำสอนของท่านเนี่ยเป็นสื่อที่จะนำตัวเองไปเข้าถึงตัวธรรมะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นธรรมะในความหมายไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ก็เพื่อมาช่วยสื่อนำเราไปเข้าถึงตัวธรรมะที่แท้จริ ง, รรรงก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องบัญญัติตามปกติคือก็เป็นถ้อยคำเป็นเรื่องภาษา คืออาศัยภาษานั่นเองนะก็จะบัญญัติว่าเป็นอะไรก็ได้นะเช่นว่านนี้เรียกว่าต้นไม้อันนี้เรียกว่าภูเขาอันนั้นเรียกว่าอะไรอะไรนะก็เป็นเรื่องของบัญญัติแต่ว่าบัญญัติเหล่านี้มีเพื่ออะไรก็เพื่อสื่อสื่อความหมายที่จะลงโยงเราไปหาความจริงแต่นี้ว่าไอ้เรื่องของภาษาเหล่านี้ ก็เป็นภาษาที่คนใช้พูดทั่วไปแต่ภาษาคําพูดของคนทั่วไปบางทีมันไม่ได้สื่อให้ถึงตัวความจริงนี้ได้ใช่ไหมอันนั้นมันจะเป็นบัญญัติมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่มันข้อสําคัญมันอยู่ที่ว่าไอ้บัญญัตนินี่มันจะสามารถเป็นสื่อให้เราถึงตัวธรรมะได้หรือไม่ใช่ไหมบัญญัติบางอย่างมันมันไม่ไปไหนมันก็ติดอยู่แค่บัญญัติแล้วทําให้หลงด้วยซ้ำนี่ก็บัญญัติบางอย่างท่าน ตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยเรานาให้เราเข้าถึงตัวธรรมะนี้ให้เราสามารถที่จะทะลุบัญญัติไปถึงความจริงได้บัญญัติบางอย่างทําให้เราติดอยู่แค่บัญญัติอะไรหลงไปเลยนะคงจะไม่ต้องงงแล้วอันนี้ก็ถ้าใครพูดถึงคําเหล่านี้สี่ความหมายนี่เป็นหลักเป็นพื้นต่อจากนี้แล้วมันจะมีความหมายปลีกย่อยอีกเยอะ อย่างที่บอกแล้วว่าในตระกูฐานท่านรวมไว้ถึง11ความหมายถ้าเราไปพูดทั้ง11อาจจะทำให้เราสับสนยิ่งขึ้นในกรณีที่นี้ถ้าเรายังไม่มีฐานถ้าเรามีพื้นฐานดีแล้วได้สข้อนี้ต่อไปจะไปเรียน11ข้อก็ไม่เป็นปัญหา